เอ่อสําหรับต่อไปนี้โปรด เป็นอัน 1 มีจรณะเป 15 ครบ 2 มีบารมี 10 ครบ 3 มีพรมิหาร 4 4 ศีล 4 5 ปราตนิพพาน 5 ประการ 6 มี 4 เป็น เพราะอันว่าสิ่งทั้ง อย่างเช่นกับปิลาภิคุหรือว่าคากบินะว่าบรรดาเปรต <c oughs> นิสสิกขาบทต่อ 6 สิกขาบทที่ 7 เครื่องหัดด้วยไม่กว่าให้ทํา เวลานี้ก็ไม่มีแล้วนี่ครับนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ครับจะไปจ้าง ไปเยติจิตเป็นบาป 8 แต่ถ้ายัง 16 ค่ํา อันนี้ก็อย่าทะเยอทะยานไปถ้าใครก็อย่ามาให้ แต่ว่าการจีวรนั้น 1 เดือนถ้าสมัย เพราะว่าสิกขาบทนี้แต่พระ ว่าเค้าสอนกันจริงๆเลยครับบอกอบัตต์เล็กน้อย เราลงอเวจีง่ายๆอย่าทะนงตน <c oughs> เป็นไว้แต่ได้สมมุติคำว่าได้สมมุตินี่ผม <c oughs> นมลาภที่เขาจะถวายสงฆ์ เนี่ยสําหรับนิสสคีปาจิตตีก็หมดไป วันหนึ่งภิกษุพูดปดต่อ 5 227 ถ้าเรามีสินเรามีศีล 227 ไปพูดปดก็แสดงว่า 5 227 หา่เกิดความไม่สบายกายไม่สบาย 6 เกิน 3 ตีความหมายของเขาให้ดีไม่ ก็ภิกษุนอนในที่มุงอันเดียว เราปฏิบัติเคร่งก็จะชัดด้วยด้วย 6 นี่หมายความว่าแสดงทําเฉพาะแก่ผู้หญิง <c oughs> <c oughs> ถ้ามีผู้ชายที่รู้เดียงสา ต้องไปบรรพัดปาจิตตีแต่ผมว่ามี <c oughs> ที่ผมเขียนในหนังสือ ถ้าว่าพระที่ผมว่าเป็นสุปฏิปันโน <c oughs> เป็นพระอะไรเจ้าก็เป็นสุปฏิปันโน การไปยกย่องส่งเสริมพระผู้นั้นทําให้ ผมไปสนับสนุนท่านผมเห็นว่าท่านปฏิบัติดีส่วนใดส่วน แล้วก็กลับมาโฆษณากันเล่นแต่เป็นคนอื่นกล่าวนี่ กับเวราภิขุหรือว่ามารดาไง ก็ดีอย่างคนมีศีลบริสุทธิ์ที่เรียก อันนี้ผมไม่ได้เดือดร้อน ตั๋วโตมาถึงป่านนี้ผมยัง เออหมายความว่าอบัดช่วยหยาบของ บางทีคนไม่ชอบกันก็แกล้ง <c oughs> ก็ควรเค้าจ้างด่าท่านก็ไม่ว่าอะไร ทำได้เลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ถ้ามันจะ เวลานั่งกระถินต้นไม้มีชีวิตแผ่น ภาค 2 มีศีลสิทธิ์ิ แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดอย่าง เราอย่าไปปล่อยให้วัดรกนะครับคณะเดียวกันอย่าไปปล่อยวัดรกนะครับมัน นิ่งเสียไม่พูดก็ดีสงสวดประกาศความ สามิสุติเตียงอื่นที่ 2 <c oughs> สมทบให้เป็นผู้ แม้ความเขาทําถูกตามระเบียบวินัยแต่มัน คดีที่ 4 ภิกษุเอาเตียงตั่งผู้ ถ้าตั้งไว้อย่างนั้นมันจะ 15 ไม า, 10 ไม ปกติ 4 ไม่ได้ละนิพพาน 5 ไม่มอบหมายแก่ภิกษุอื่นก็ดี นี่ก็ไม่ยากเข้า 7 ว่าภิสูจน์นั่งทับก็ดีนอนทับ ตามท่านกับปีละภิกขุไปตามสบายสบายกา เอาเวรดหญ้าและดินต้องไป โอยถ้าสัตว์ให้ตายนี่เป็น สำหรับวันนี้เรื่องพระวินัยก็จบ โยมสวัสดี